ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัธน์ไตรโอกาสพักกรมอาจารย์โยกิอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัต์ธรรมิกทุกท่านนะจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวด น, นะบทนะปัดฉิมโอวาทนะก็คือนะคำสั่งสอนของพระเจ้าในครั้งทุดท้ายนะท่านบอกว่า ภิกษุทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะอันนี้ก็เป็นการเตือนนะว่าเราต้องไม่ประมาทนะความไม่ประมาทในอะไรนะก็คือความที่เราไม่ประมาทในความที่เรามีความเกิดขึ้นแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายเนี่ยเราต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการที่จะเราทํากิเลสในใจของเราเนี่ยให้หมดไป นะตรงนี้ก็เป็นคำสั่งสอนนะว่ า, าเราไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะไม่ใช่ว่าตอนนี้เราเป็นคนหนุ่มคนสาวนะเป็นคนแข็งแรงนะเป็นคนที่ยังไม่ตายง่ายๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนสรมาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อต่อมาก็มีการพิจารณาเป็นบทพิจารณาที่เราสวดเมื่อกี้นี้นะก็บอกว่ า, าเราก็ให้เห็น นะว่าอ่าสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดานะสังขารคือร่างกายจิตใจนี้นะมีแต่ความทุกข์อ่าทนอยู่ไม่ได้นะมีความอ่าแก่เจ็บตายไปอ่านะเป็นธรรมดานะธรรมมาอ่าสัพเพธรรมมานตานะทำทั้งปวงนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งเหล่านี้นะัเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะตรงที่เราสวดมนมต์ธรรมเช้านั่นแหละนะแล้วก็พิจารณาว่าเออเรามีความตายอนะแน่นอนนะอนะตายเมื่อไหร่คนก็ก็นองนําเราไปทิ้งที่ป่าช้านะประดุดดังท่อนไม้แล้วท่อนปืนอันเขาทิ้งจะแล้วหาประโยชน์ไม่ได้นะมันสอดคล้องกันหมดเลยที่พระเจ้าว่าให้เราไม่ประมาทนั่นแหละ ให้เรารไม่ประมาทว่าเราเกิดมาต้ อ, ตองตายเปเรื่องธรรมดาเพราะนั้นถ้าใครมามีโอกาสไปงานศพนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะถ้าไปงานศพนี่ไม่ใช่ว่าบางคนไปงานศพแล้วก็ไปสวนเสฮฮากันนะไปพูดคุยกันสนุกสนานนะหรือบางทีพระแสดงพิธธรรมล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านแสดงอะไรนะหรือแม้แต่พระเทศเราก็ไม่สนใจฟังนะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะ แม้แต่ความตายที่อยู่ต่อหน้าเราเราไปในงานแล้วเราก็ไม่นำมาเป็นสังเวชในใจเราเออวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะวันหนึ่งเราก็ต้องไปนอนอยู่นนหน้าให้คนเขาเอาหน้ามะพร้าวมาลดหน้าเรานะให้คนให้พระมาสวดอภิธรรมต่อหน้าศพเรานะให้ญาติพี่น้องเพื่อนปู่ประชาชนทั้งหลายมาวางดอกไม้จันทรนะ์ที่ตรงงานศพเรานะ แล้วเราก็ต้องโดนเผาไปเช่นนั้นเหมือนกันเนาะเนี่ยเราจึงประมาทกันอยู่เป็นประจำเราจะต้องไม่ตายไม่อะไรนะพนัการไปงานศพนี่มีประโยชน์มากนะนะอย่างอย่างที่ว่าสวนเทเฮทานี่ก็มีจริงๆสมัยก่อนที่เป็นฆราวาสก็เคยไปงานศพปรากฏว่างานศพนี่พอ <c oughs> เขาพาสวดพิธรมเสร็จแล้วก็ม hm ีการเลี้ยงอาหารการเลี้ยงเข้าวต้มเลี้ยงอาหารกันอย่างมโหฬารนะเรียกว่าจัดเป็นงานเลี้ยงที่ใช้จ่ายเปลืองมากเนียก็ทานเข้าวต้มไปก็คุยกันสนุกสนานไปนะบางทีหัวเราะกันเสียงดังลืมไปว่ามางานศพเนาะเจ้าภาพก็ไม่มีเวลาที่จะส่วนฟังสวดพิธรรมอะไรแล้วก็วิ่งบุญน่ะคอยรับแขกนะพูดคุยคนนู้นคนนี้คอยสั่งงานกันดูแล้วก็มีแต่ความบุญบายนะ อันนี้ไม่ได้จิตสงบสลดในงานศพ บ, บางทีเคยไปตอนเผานะตอนเผานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะมีการมาพูดถึงคุณความดีของผู้ตายต่างๆน า, ๆ น, านาเนา ะ, ะก็ยังเคยไปไปแสดงธรรมในตรงนั้นเลยเอาเราแสดงธรรมงานศพนี่ต้องพูดถึงความดีของคนตายนะอะถ้าเราไม่รู้จักเขานี่ก็ต้องไปห า, าเขามีความดีอะไรบ้างะนะ หรือถ้าเรารู้จักเขาแล้วเราก็พูดได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าบางคนนี่ก็ไม่มีความดีเราพูดถึงก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่พูดยากใช่ไหมเพราะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราต้องทําในความดีนะเพราะเมื่อเราตายไปแล้วแนวสิ่งที่จะเหลือไปก็มีแต่ความดีและความชั่วนี่แหละที่ติดตัวเราไปนะเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งใดปรากฏไว้ในแผ่นดิ น, นะนอกจากความดีและความชั่วอย่างที่ว่าบวชควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนัง นะช้างตายยังเหลืองงาเป็นสังสีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกานะเพราะเราก็ทําความดีไปเถอดนะนะครั้นนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไม่ตายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออเราจะทําอะไรดีนะในเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแน่นอนนะนี้ไม่พ้นหลบใช่ไหมชีวิตเรามันสั้นๆเท่านี้เองนะประการแรกเราก็เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยก็ต้องทําตามที่พระเจ้าบอกว่าสัพพปาปัสะากัลลัง ก็คือการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงกุศล ส, สูวาสัมปทาการทํากุตนให้ถึงพร้อมสะจิตสะปริโยธาปนังนะการชําระจิตของตนให้ข่าวรอบหรือนะการทําจิตให้เราในบริสุทธิ์ผ่องใสปราจารกิเลสทั้งมวล น, นั่นเองเนาะนะการที่เราไม่ทําบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกระทําอยู่แล้วนะเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีศีลห้าเป็นหลักนะผู้ใดทําบาปก็ชื่อว่าไม่ไมทําตามที่ผู้เจ้าบอกนะ จริงๆแล้วคนคนที่ทำบาปกรรมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะอ่าในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีความทุกข์นะอ่าไปฆ่าอะไรก็แล้วแต่นะไปลักทรัพย์อ่าประพฤตผิดในกามอ่าพูดโกหกหลอกลวงหรือมั่วเมาพวกนี้เป็นทางเสื่อมทั้งนั้นเลยนะเขาเรียกว่าไม่ปกตินะคนที่ทำสิ่งไม่ปกติจิตก็ไม่ปกติไปด้วยนะมีแตความทุกข์นะอันนี้ไม่มีใครทำอยู่แล้วนะสำหรับคนที่มีปัญญานะ การทำกุศลในสิ่งพร้อมนี่เราก็ทําไปทุกๆอย่างนั่นแหละอะไรไี้เป็นความดีความงามอทางกายทางวาจาทางใจนะทําไปเถิดนะไม่เสียหายตรงไหนนะอะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา น, นี่เป็นความดีตรงนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งชาวพุทธต้องทำอยู่แล้วนะแต่ประเด็นสําคัญมันจึงมาอยู่เลยข้อสุดท้ายที่ว่าการชําระจิตของตอนให้ขาวรอบเนี่ยเราได้ทําแล้วหรือยังนะบางคนมาว่าโอ้ทาบุญง่ายนิดเดียวนะอ่ามีเงินก็ไปจากได้นะ ใจมารักษาสีนี่มันยากโอ้ไม่อยากจะมาเลยนะมันลําบากบางทีให้รักษาสีแปดมันยิ่งยากนะอดอาหารเย็นนะอ่าอดดูหนังดูละครนะอดแต่งตัวใส่เครื่องประดับของหอมต่างๆก็ห้ามนะมันก็ยากบ่อยหน่อยนะคร น, นี้ความยากเหล่านั้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นยากอะไรหรอกมันเป็นการขัดเกลาจิตเรานะให้จิตเราเนี่อ่อนโยนลงมานะมีสีเป็นเครื่องประคับประคองหน่อยนะ จิตจะได้อ่อนโยนลงมานะอ่อนโยนเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมได้ง่ายนั่นเองเนะเราจะเห็นบางคนนี่เข้ามาสู่ในธรรมยากเนี่ยคนที่จิตแข็งกระด้าง น, นี่เข้าทำยากมากเลยนะกว่าจิตจะอ่อนเข้ามายอมรับมีสติในการรู้เท่าทันอารมณ์ทางกายทางใจเป็นเรื่องยากนะเพราะนั้นเมื่อมีศีลประคับประคองแล้วเนี่ยมันก็ง่ายนะนะเพราะนั้นบางทีเราก็าโชคดีว่าอยู่ในกรอบไงอยู่ในกรอบที่มีศีลอยู่ในวัดที่มีการปฏิบัติธรรม แล้วก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยอ่อนลงได้เร็วนะแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่การาเบียดเบียนกันรักขโมยฆ่าฟันกันด่าทอกันประทุสร้ายกันทั้งบันอันนี้เราจะจิตแล้วไม่อ่อนแน่นอนนะมันอยู่ในสังคมแบบนั้นแหละจิตเราปฏิบัติธรรมยากนะเพราะมีแต่ความแข่งกระด้างรอบๆตัวจิตก็มีแต่การป้องกันาการาหนีนะการหลบเลี่ยงนะ การที่เราต้องหนีภัยต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าอันตรายนะเพราะในยุคเราถือว่าเราโชคดีที่อยู่ในยุคที่เรียกว่าไม่มีโจรผู้ล่ายเยอะนะไม่มีสงครามเดือดเบียดนะถ้ายังสมัยอดีตที่ผ่านมาในอยุธยาหรื อ, อสมัยไหนก็แล้วแต่มีแต่การฆ่าฟันกันนั้นที่ว่าเราโชคร้ายน ะ, นะแต่เราเกิดมาในยุคที่เรียกว่าพร้อมทุกๆอย่างใช่ไหมพร้อมในการที่เรียกว่าไม่มีปัญหาภัยสงคราม นะนะแล้วก็อยู่ในยุคที่พุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองด้วยอนะ่อยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งของพุท ธ, ธการนะพุทธศาสนานี่แหละที่ว่าเมื่อครบอ่าเมื่อประมาณตื่นกางพุท ธ, ธการแล้วเนะี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งอ่ก็เข้ามาอยู่ในยุคของพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้พอดีเนาะก็ถือว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีเขาเรียกว่ามีบุญเก่าผลครัวนะัได้เกิดมาอยู่ในยุคที่มีการ มีความสงบสุขนะแล้วได้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นมานะอะเพราะฉะนั้นในประการสุดท้ายเนี่แหละเราจะทําได้ไหมว่าให้จิตของเราเนี่ยถึงซึ่งความบริสุทธิ์ของใสนะเราก็ใส่เนี่ยการให้ทานกับรักษาศีลเนี่ยเป็นเบื้องแรกนะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงทําได้ง่ายนะอะพราะการบริจาคทานเนี่ก็เรียกว่าเป็นการสละออกนะสลัดออกเราก็จะได้ไม่ไปติดสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นนะให้เราเนี่ยมีการ ไม่สนีธีเหนียวนะเป็นการที่เราสละออกไปนะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะรักษาสิ่ก็เพื่อให้ใจเราเนี่ยมีการภาชนะร อ, องรับจิตใจที่จะบริสุธิ์ตามมานะเพราะฉะนั้นเวลาคนจะให้ทานนี่อย่างเช่นถวายกรถินพร ป, ปานี้ก็ต้องมีการ่าให้ศีลงห้าก่อนนะเพื่อให้ใจเป็นเครื่องรองรับนะครั้นี้เมื่อเรามีเครื่องรองรับดีแล้วเนี่ยเราก็มาสังเกตใจของเราเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ ากายและธรรม น, นี่จริงๆก็ไม่ได้ไปบัติที่ไหนเราก็อยู่ที่กายและใจของเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่ก็มีข้อกายาเวทนาจิตและธรรมนะข้อหลักๆก็คือข้อกายและข้อจิตนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คื อ, อกิเลสก็เกิดขึ้นทางไหนก็เกิดขึ้นทางกายและในใจของเรานี่สองแห่งเท่านั้นเพราะเราก็ไปบัติในสองแห่งนั่นคือกายและใจของเรา ก็คือให้เรารู้เท่าทันกายและรู้เท่าทันใจตามความเป็นจริงนะกายเร า, าก็ต้องรู้ไปนะในิบทใหญ่หรือบทย่อยทั้งหลายนะยืนเดินนั่งนอนต่างๆก็รู้เท่าทันไปเพราะการที่เรารู้ทันกายนี่แหละบทใหญ่หรือบท ย, อยนะ่อยนะบทย่อยก็ดื่มกินพูดคิดคู้แขนเหยียดแขนก้มเงยเหลวซ้ายแลงขวาก้มเงยต่างๆแล้วก็ทรงสังคาติวีวรนะ เดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังนะอุ จ, จะละปัสสาวะก็คือรู้เท่าทันในอิบทต่างๆทั้งทุกอย่างในการเคลื่อนไหวนะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าอบทย่อยต่างๆอยู่ในชีว ป, ประจําวันเราอยู่แล้วนะเราก็รู้เท่าทันไปเนะขาเรียกว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตนะมีเครื่องอยู่งจิตเราก็อยู่กับปัจจุบันธรรมนะอยู่ปัจจุบันธรรมเราก็รู้เท่าทันอาการต่างๆในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวแล้วนะ อ่าเพราะว่าเมื่อเราเคลื่อนไหวไปเราไม่รู้ว่าเรากาลังเคลื่อนไหวเราก็ชื่อว่าเราหลงแล้วนะะบางทีเราอาจจะนั่งยกมือไปแต่ใจเราก็คิดนูน่นคิดนี่ไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังยกมือไปอะเราก็หลงไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็หลงไม่นานอยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อหลงไปก็กลับมาได้เพราะเรามีความรู้สึกตัวนั่นเองนะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเรานํามาพัฒนาร่างกายของเราก็คือรู้เท่าทันกายของเรานั่นเองนะเมื่อก่อนเราเรียกว่าเราทำอะไรเราก็ไม่ไม่รู้เท่าทันกายอ่า เวลาเดินก็ไม่รู้กําลังเดินนะเวลานั่งก็ไม่รู้กําลังนั่งนะนอนก็ไม่รู้กําลังนอนนะอันนี้ก็เรารู้ไม่ทันกายอ่าแต่เมื่อเรามาฝึกแล้วเราก็รู้เท่าทันกายเรามีบทใหญ่บทย่อยรู้เท่าทันหมดเลยนะอ่าจากของอยาก <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนนะ <c oughs> รู้เท่าทันไปเรื่อยๆ <c oughs> อือก็เลยมารู้เท่าทันสิ่งละเอียดได้นะสิ่งละเอียดก็เช่นนะการพิมตาหายใจ นะหรือแม้แต่การพูดนะการขยับเขยื้อนเล็กๆน้อยก็รู้เท่าทันนะการนั่งนะคล่นกระทบพื้นก็รู้เท่าทันนอนหลังกระทบพื้นกะ็รู้เท่าทันนะกระดุกกระดิกนิดๆหน่อยๆก็รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันกายนะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตนะให้อยู่กับความรู้สึกตัวอนะ่าก็เรียกว่าเป็นให้วิหารธรรมที่ใจมีเครื่องอยู่นั่นเองนะใจจะได้ไม่คิดไปไกลนะเมื่อคิดไปแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เร็วขึ้นนะ เมื่ออยู่กับปัจจุบันก็เห็นอดีตอนาคตอที่เราจะเข้าไปสู่ในสิ่งเหล่านั้นอ่าจากความคิดที่เกิดขึ้นก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นความคิดก็ไม่ยาวนะอที่จะคิดเป็นอดีตอนาคตก็ไม่ยาวก็กลับมาอยู่ปัจจุบันนะอยู่แบบสบายๆนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอ่าให้ทําเล่นๆแต่ทำไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆก็คือทํำจริงๆนั่นเองนะก็คือทําต่อเนื่องกันนั่นเองนะแต่เป็นการทําเล่นๆทํำด้วยความสบายๆ ทำไมต้องไปบังคับอะไรเข้าใช่ไหมกายเป็นไรแล้วก็แค่รู้เท่าทันไปตามความเป็นจริงเท่านั้นนะเมื่อรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นสักได้ว่าเป็นกายนะเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรหรอกใช่ไหมบางทีเราไปบัไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเออมันก็เป็นแค่แต่ความรู้สึกเฉยๆเท่านั้นนะรู้สึกสักได้ว่ารู้สึกเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมันก็ออกจากอ่าความที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเนี่ยได้นะอ่า มันก็จะเข้าสู่หลักของกายานุปัสสนาสถิติฐานนะในสุตะเห็นว่าเป็นแค่รูปแค่นามไม่ตัวไม่ตนจริงๆใช่ไหมเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองนะสักแต่ว่าความรู้สึกสักแต่ว่าขึ้นไหวสักแต่ว่ายกมือไปยกมือมาสักแต่ว่าเดินนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อเราเข้าสู่ความจริงแล้วเราจะรู้ทันกายว่ามันสักแต่ว่าเป็นกายนะมันไม่ตัวไม่ตนหรอก นะรับข้กายมันก็แค่เป็นรูปเท่านั้นเองเนาะต่อไปเราก็รู้เท่าทันใจนะรู้เท่าทันจิตนั่นแหละในข้อจิตตาลูกปั ส, สนาปิปัฏฐานนะเมื่อเรามีการอมีฐานทางกายที่ดีแล้วนะรู้อ่ากายเคลื่อนไหวอ่าใจรู้เท่าทันความนึกคิดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะนะก็คือเราสามารถรู้เท่าทันจิตของเราเนี่ยได้นะมันก็จะเข้ามาในหลักของ จิตตาอนุปัสนากติปทานนะก็คืออจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะอจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นนะก็คือรู้เท่าทันอาการต่างๆของจิตตามความเป็นจริงนั้นเองเนาะ จิตของเราเนี่ยมันว่องไวนะมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะมันจะมีการอ่าขึ้นไหวทั้งวันมันไม่เหมือนกายนะกายบางทีเราเห็นว่ามันเคลื่อนไหวก็จริงแต่มันยังน้อยกว่าจิตนะจิตเนี่ยมันขึ้นไหวเร็วกว่านะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ได้เร็วมากนะคราวนี้เราก็ใส่การที่เราชํานาญในเรื่องกายแล้วเนี่ยเราจะสังเกตจิตจะวัยขึ้น <c oughs> จากการเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนโกรธเก่งนะเป็นคนโกรธเก่งอ่าเป็นคนเจ้าโทสะนะเป็นคนน่ะ เรียกว่าเราติดอารมณ์เก่งนะเมื่อมีใครเข้ามาว่าเรานิดเราหน่อยแล้วก็ติดอารมณ์แล้วนะ่ชื่อว่าเราเป็นคนที่เรียกว่าเราเป็นคนเจ้าอนะารมณ์นะเจ้าอารมณ์ก็คือเจ้าอารมณ์ทุกๆอารมณ์นั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทสะเรื่องที่น้อยใจเสียใจความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังความบิดาความหึงหวงขี้เหงาต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าติดในอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเจ้าอารมณ์ก็คือเราเนี่ย เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในใต้ลมนั่นเองนะไม่ได้เป็นเจ้าเป็นเหนือเขาหรอกแต่ว่าเราเป็นทาตุเขาลมต่างหากละ่ะใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันก็คือรู้ไม่เท่าทันจิตใจของเรานะแต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติแล้วเราจะเห็นโอ้เมื่อก่อนเนี้ย น, นะใครมาด่าเรานิดนึ่งเราก็โกรธแล้วนะแต่เมื่อตอนหลังเขามาดา่าเราเรารู้สึกว่าเออมันก็อธรรมดานะไม่มีใครไม่ถูกด่าหรอกใช่ไหมเพราะเรารู้เท่าทันแล้วนะว่าเรื่องการด่านี่เราจะไปห้ามจิตใจใครก็ไม่ได้หรอกใช่ไหม ก็จะมาตำหนิเราเขาจะมาว่าเก่าวเรานะแม้แต่พระเจ้านี่ท่านระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีคนว่าเก่าวท่านตลอดเวลาเลยนะไปเมืองไหนก็มีคนมาลองภูมิบ้างนะอะมาว่าบ้างมีพาม์มาทดสอบบ้างนะบางทีพามเขาก็มาด่าว่าพระพุทธเจ้าก็มีนะหรือพระพุทธเจ้าไปที่หาพาม์พรามก็ด่าว่าก็มีนะอ่าบางทีไปท่านก็ไปเจอพาม์พาม์ก็ด่าท่านต้องเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าอสมมุติว่า มีอ่าหมณ์เนี่ยมาด่าเรานะเหมือนกับคนเนี่ยที่เข้าเอาอาหารมาอ่ามาให้กับเราแล้วถ้าเราไม่รับเนี่ยอาหารจะตกกับใครนะก็ตกกับเจ้าของที่มาให้นั่นแหละเพราะนั้นเมื่อใครมาดา่าพระเจ้าพระเจ้าไม่รับแล้วเนี่ยอ่าคําด่านั้นก็กลับไปตกสู่กับคนที่ด่าเองนะพ <laughs> รามก็เลยได้คิดโอ้เราด่าท่านแทบตายว่าอ่าเป็นผู้ไม่พุดไม่เกิดนะเอาเป็นคําด่าที่ร้ายแรงพระเจ้าบอกว่าออ่กายไม่พุดไม่เกิดนั่นแหละดีนะ <laughs> เพราะว่าการที่ผุดไปเกิดนั่นแหลก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดนะแต่การไม่ผุดไม่เกิดนั่ะคือการพ้นทุกข์เป็นต้นน ะ, mm hmm. ะพระองก็เลยได้คิดก็เลยก็เลยมีความนับถือพระเจ้านะก็เลยขอเป็นออุบาสกแทนนะอันนี้จะเห็นมาจริงๆแล้วเี่ยเราห้ามใครไม่ได้เลยนะไม่ไรพระเจ้าอก็ยังมีคนที่คิดน่ะในทางอในการที่ประทุษร้ายด้วยวาจาใช่ไหม เพราะนั่นอย่างเราเป็นปุริชนแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครเขาจะมาด่าเรา <entender> ใครจะมาอะไรกับเราก็ได้นะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกนะแต่สิ่งสาคัญว่าเราอ่าห้ามใจเราได้ไหมรู้เท่าทันใจได้ได้ไหมเขาด่าเราเป็นเรื่องธรรมดานะเราไปห้ามใครก็ไม่ได้นะถึงเราห้ามปากก็ได้แต่เราก็ห้ามใจก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแต่เรามารู้เท่าทันใจเราดีกว่านะเออเขาด่าเราเรารู้เท่าทันเอออ่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทันนะ เมื่อก่อนเรามีความโกรธเรารู้ไม่ทั น, นสมมติว่าเป็นเลขห้าก็แล้วกันนะด่าปุ๊บเราโกรธเลยเนี่ยเราเราเราเข้าเลขห้าแล้วนะแต่าด่าปุ๊บเออเมื่อเรามีสติเราจะเริ่มเห็นเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนละขณะนี้กําลังหงุดหงิดกําลังอไม่พอใจแล้วนะอ่ากําลังขัดเคืองใจแล้วนะอ่าคือเฮ็ดเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ละได้ง่ายใช่ไหมมันก็ไฟกองเล็กๆนี่แหละไม่ขีดนี่เบาปุ๊บดับเลยนะแต่เป็นกองไฟใหญ่ๆอย่างนั้นะ ไฟป่าเป็นความโกรธเนี่ยมันดับยากใช่ไหมเพราะว่าเมื่อมันด่าแล้วนะมันมีตัวตนไปต้อนรับคําด่าเหล่านั้นเข้าด่าเราเข้าด่าเรานะเขาว่าเราเมื่อมีตัวตนปั๊บมันก็โกรธได้ง่ายใช่ไหมก็ไปวนในความคิดในความเป็นตัวตนนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันเลขนึงสองสามแล้วมันก็ดับไปได้เร็วนะเพราะในการที่เราเคยโกรธนานมันก็โกรธสั้นลงนะอาจจะไม่โกรธเลยก็ได้เพราะเรารู้เท่าทันมันก็ดับไปแล้วนะรู้เท่าทันก็คือเรารู้เฉยๆนั่นแหละไม่ต้องไปรู้ อะไรกัมันเยอะนะรู้เฉยๆก็พอแล้วรู้เฉยๆก็คือไม่ไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะคำพูดของเขาเราก็รู้เฉยๆนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีสาระอะไรเลยแต่ถ้าไม่รู้เฉยๆก็คือเราไปให้ค่ากับคําพูดเหล่านั้นนะเข้าด่าเรานะมันเมื่อมีเราขึ้นมาปุ๊บมันก็ทุกขกันทีนะแต่เรารู้เฉยๆมันก็สักแต่ว่านะไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาก็จบกันแค่นั้นนะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เฉยๆไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะการที่เราไม่รู้เฉยๆนั่นแหะก็คือเราไปให้ค่า การให้ค่า <ughs> ก็คือเราไปเกี่ยวข้องด้วยน่ะไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็คือไปคิดนั่นเองนะไปคิดต่อเนื่องกันแต่ถ้าธข้มดาเราเรารู้เฉยเฉไม่ไปคิดอะไรต่อก็จบนะมันก็ไม่มีอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการรู้เฉยเฉยในมันจึงเป็นสุดยอดเลยนะในการปฏิบัติธรรมนะทั้งหมดนะไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทั้งหมดเลยนะเมื่อกระทบอารมอะไรเกิดขึ้นนะมันหนีไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่า uh, มันเราไม่จะเป็นคนตาบอดหูหนวกก็้องเห็นอยู่แล้วนะเห็นรูปนะ เป็นรูปสวยในเรารักเขาไหมเห็นสวยอ่าเราชอบใจไหมนะเห็นอ่าคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเราโกรธไหมนะเห็นคนที่เราเกลียดนะเราอ่าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่รู้เฉยๆแล้วนะเอ่อถ้าเห็นก็ตักแต่ว่าเห็นนั่แหละมันจริงอวัยนะได้ยินก็สักแต่เราไม่ได้ยินนะมันจริงอวัยนะเหมือนกับพระภัยยะนี่แหละพระภัยยะนี่เป็นเอกจากทักษะในกรรมรู้ธรรมได้เร็วที่สุดเลยนะพระเจ้าบอก พยะยัสั้นๆบอกว่าอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนะพอแสดงธรรมในตรงนี้ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นความสุดยอดของธรรมะกับในการรู้เฉยๆนะ แล้วก็มาถึงมาลุงพยาบุตรอีกนะมาลุงพยะบุตรก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองอายุมากแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรจรึงได้ผลเร็วพระเจ้าบอกว่ามารุงพยะบุตรเธออย่าเพลิดเพลินไปในลมต่างๆนะให้ล่าลมต่างๆให้เร็วเหมือนกับกรพิบฤฤตาฉันนั้นแล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเหมือนกับพัพายานะนั่นแหละในสุดพร ะ, ะมาลุงพยาบุตรก็สามารถบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้งเฉยๆนี่มันจึงเรียกว่าเราเป็นสิ่งที่มัน มันก็เป็นการวางนะไม่เป็นการเอานะแต่การที่เราไปคิดนั่นแหละมันเป็นการเอานะมันไม่ได้วางนะเพตอะการที่จะเข้าถึงธรรมะส่วนหนึ่งก็คือการที่เราวางได้ไหมนะวางคือระวางอา ร, รมณ์ต่างๆได้ไหมวางความคิดได้ไหม <c oughs> วางความโลภความหลงวางจากความยินดียินร้ายมได้ไหม <c oughs> วางอย่างการที่เราไปหวังอ่าที่จะเอาอะไรสักอย่างได้ไหมนั่นแหละมันจะไม่รู้เฉยๆแล้วนะ เพราะนั้นเป็นการเจือด้วยตัณหา <c oughs> ถ้าเราไปบัตรทำด้วยตัณหามันก็ไม่เป็นการวางนะแต่เป็นการเจริญด้วยอวิชชาด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยโลกิยะนะอ่าเพราะการที่เราเจริญด้วยตัณหาก็เรียกว่าเราไปลงทุนทําธุรกิจเลยสักอย่างหนึ่งก็มีกําไรมีขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเมื่อใจที่ทําอะไรด้วยตัณหาก็แล้วแต่นะไม่แม้แต่เป็นการปฏิบัติธรรมก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะมันก็เราไปค้าขายเนี่ยนะต้องมีการกําไรมีการขาดทุน นะใจมันก็เลยมีแต่ความทุกขนะ์หรือมีความสุขเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกใช่ไหมเมื่อวางปุ๊บมันก็มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแน่นอนแล้วใช่ไหมแต่ใจที่มีการวางนะ่ยคือเราไปบัติเพื่ออะไรก็เพื่อให้ละให้วางให้คลายให้ปล่อยนะอันนี้มันกับเราเราไม่ทุกข์ในตรงนั้นแล้วนะมันกับเราให้ทานเป็นนี่แหละเราให้ทานเราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแว่าก็ต้องมาทําดีกับเรานะให้ทานก็สักจะว่าให้ใจก็มีความสุขในตรงนั้นแล้ว เนะพราะฉะนัการปฏิธรรมก็คือการที่เราไม่ต้องไปหวังที่จะต้องได้อะไรในตรงนั้นนะแต่เราปล่อยเราวางเราละเราคลายความยึดติดต่างๆได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันจึงนั้นว่าเราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระนั่นเองนะเป็นผลทางแห่งโลกุตระนะเพราะฉะนั้นคนเรานะเมื่อเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปหวังอะไรก็คือการลงทุนแต่ถ้าเราทํำไรนะเป็นการปล่อยการบางน้าหลักก็คือการที่เราเป็นโลกุตระก็คือไม่หวังสิ่งตับแทนมันก็จะพวามทุกข์ได้เร็ว เพนะราะงัการที่เรารู้เฉยๆก็เหมือนกันนะรู้เฉยเมื่อเร า, ารู้ปั๊บเนี่ยใครก็มาด่าปุ๊บเนี่ยถ้ามีตัวตนของเราปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่วางนะเมื่อมีตัวตนมันมีการได้เสียนะมีการได้เสียเกิดขึ้นนะว่าเราเนี่ยอ่าคนเข้ามาดูถูกเราหรือเราตรงนั้นนะคนก็จะไม่เห็นตรงนี้ว่าเข้าใจผิดเราไหมนะอ่ามีใครมาตําหนิเราหรือต่อจากนี้ไปนะมีใครยังไม่นับถือเราไหมเนี่ยมันเรียกว่ามีตัวตนมีส่วนได้เสียนะ แต่ถ้าเข้ามาดาแล้วปุ๊บเออเราวางได้จริงๆนะไม่มีตัวไม่ตนหนึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอาการที่เราไปได้ไปเสียตรงนัน้นก็ไม่มีอะไรที่ว่ารเราจะต้องขัดทุนหรือกําไรนะอ่ามันก็วางได้จริงๆนะเพราะงั้นการที่เราวางจริงๆนั่นแหละมันจึงเป็นหนทางความพ้นทุกข์ได้ที่แท้จริงนะก็ะคือไม่ต้องหวังจากอะไรทั้งนั้นนะอ่าว่าเราต้องได้อะไรแต่เราวางอะไรได้มากกว่าใช่ไหมอ่าตรงนี้มันจริงๆออกจากความทุกข์ได้นะ เพราะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้เราจึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิวานจริงๆๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจในกฎพระไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะในกฎพระไตรลักษณ์ก็บอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงน ะ, ะสรรพสิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลายเป็นผูเขาลาวกาก็ไม่เที่ยงจนถึงสิ่งที่เล็กที่สุดก็ไม่เที่ยงนะในที่สุดก็มาสรุปที่ตัวเราว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะถ้าใครเห็นตรงนี้มันก็สามารถที่จะวางได้เร็วขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนะเอากลับมาสรุปที่ตััวเองนแะ อย่างในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอ่าพระในท่านก็อ่าเห็นใบไม้ตกลงมานั้นก็พิจารณาใบไม้นะเออเมื่อก่อนมันก็เป็นออกใหม่ๆมันก็เป็นสีเขียวนะในสุดมันก็เปลี่ยเป็นสีเหลืองในสุดมันก็กลายเป็นสีน้าตาลนะคือมันแก่แล้วเนี่ยมันก็ร่วงหล่นลงมาที่พื้นดินนะก็มาเทียบกับตัวของท่านเองนะว่าเออสักวันหนึ่งก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนท่านก็เป็นเด็กตอนนี้ท่านอายุมากแล้วอีกหน่อยท่านก็แก่ เมืในสุดท่านก็ต้องตายมันก็ใบไม้นี่แหละที่มันร่วงหล่นลงมานั่นในสุดท่านก็บรรลุธรรมนะสามารถที่บรรลุเป็นพาาระรหันต์ได้เลยนะไ ม, ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆะหรือแม้ท่านท่านจุลบันดกนะจุลบรรดกนี่ก็อ่าเป็นเป็นผู้น้องของมหาบรรดกนะซึ่งเป็นผู้พี่เป็นพระนะัะ่นแหละท่านป่าหาบรรดกก็สอนา 4, 4คาถาสี่สี่คาเท่านั้นปรากฏว่าท่านจําไม่ได้นะใช้เวลาท่องก็จําไม่ได้ จนพระพิชายก็ไล่หนีไปนะก็มีความเสียใจก็จะมาลาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องลาหรอกนะไม่เกี่ยวกับพิชายของท่านแต่ว่าเกี่ยวกับเรามากกว่านะก็เลยให้เอาผ้าขาวนมามาคลึงนะมาคลึงแล้วก็มาพิจารณาไปนะท่านก็ไปเชื่อก็คลึงคลึงไปผ้าขาวก็กลายเป็นสีหมองคล้าไปนะก็มาพิจารณาตัวเองว่าเออก็เหมือนกันนะั่นเราก็เหมือนกันอีกหน่อยเราก็เป็นแบบนี้นะนะั่นแหละจากสีขาวก็กลายเป็นสีหมอง เพราะนั้นเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ต้องมองไปก็เหมือนกันเราต้องอ่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันนะในสุดท่านก็เปบรรลุเป็นพระอรหันได้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็มีการพิจารณาสิ่งรอบๆตัวนี่แหละแล้วก็มาสรุปที่ตัวเราเองนะในตัวของท่านเองว่าในสุดท่านก็เหมือนกันนะมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันได้ทั้งหมดนะอะในตรงนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆนั้นก็สามารถกลับมาสู่ปะไตยรักได้ทั้งหมดเลยว่า แม้แต่สิ่งรอบๆตัวเราก็ไม่เที่ยงทั้งหมดก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะหรือแม้แต่ดูในตัวเราเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสมัยเราเด็กๆเราก็ไม่เหมือนแบบนี้นะสมัยก่อนเราก็เป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยเป็นคนหล่อมันก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้แน่นอนนะอ่าอยู่ดีถ้าเราเกิดมาปุ๊บเราหน้าตายเป็นแบบนี้เลยมันก็หน้าเกียดตแต่ต้นแล้วใช่ไหมอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ well, เราว<ห>่ามันเป็นไม่ได้แต่เมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเด็กอ่าเป็นผู้ใหญ่อ่าเป็นคนหนุ่มคนสาวมาก่อนนะ แต่ปัจบันเราเป็นแบบนี้ม่ก็แสดงหนึ่งความไม่เที่ยงอยู่แล้วนะเพราะในั้นได้กลายมันไม่ใช่ของเราแน่นอนนะเดีอยวว่าแต่ปัจจุบันนี้เลยอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยิ่งแก่วันนี้นะหนังก็ยิ่งเหี่ยวกว่านี้นะตาก็ยิ่งฟางมากกว่านี้อผมก็ยิ่งขาวยิ่งกว่านี้นะอมันจะดูน่าเกลียดยิ่งกว่านี้เยอะเลยนะเราผ่านไปยี่สิบปีไม่พอถ้าผ่านไปสี่สิบปีนี่เราก็กลายเป็นผู้เฒ่าเลยนะเนย่เดินไปไหนก็ต้องถือไม้เท้านะ อ่าต้องมีคนคอยจูงนะต้องอาจจะต้องอมีคนคอยป้อนข่าป้อนน้ํานะหรือแม้แต่ว่าอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บที่ร้ายแรงนะอยู่ในโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือให้น้าเลือดต่างๆนะโอ้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่าเนี้มันเป็นทุกข์ทรมานมากเลยนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะว่าเราจะยอมรับสภาพเหล่านั้นได้ไหมใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับนะเพราะมันหลีกได้ไหมพลหลอก เรานี้ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นะสักวันหนึ่งต้องมาถึงเราแน่นอนนะนจิตเราก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนี้ไปได้เพราะเราเห็นความจริงแล้วนะว่าเราประวัติขับบัญชาอะไรก็ไม่ได้เลยนะเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไ ป, เ, ปเรื่องธรรมดานะอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมนะมั้ยยอมรับในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาได้ไหมจิตเราต้องตรงกับตรงนี้ให้ได้นะในอนัตตานะ คือการที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการบิดาทำส่วนหนึ่งก็เพื่อเห็นความจริงในตรงนี้ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นเองนะเราจะเห็นว่าบางวันก็ไปบัตินี้มีสติดีทั้งวันมีความรู้สึกตัวทั้งวันวันต่อมาแล้วก็แทบจะหลงทั้งวันเลยนะเขาก็แสดงสไตล์รัดกกเราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกเขาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนะว่า เ, าเป็นเขาเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะ เ, เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะ อยู่ที่ว่าใจเราจะยอมรับความจริงในตรงนี้ได้ไหมนะยอมรับในความไม่เที่ยงในความทุกข์ในความมโนธรรนั่นแหละยอมรับแล้วก็เข้าใจเขานะเราเราไปไม่ทุกข์ในสิ่งเหล่านี้แล้วนะาะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรอกที่เที่ยงแท้แน่นอนนะสิ่งใดใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดนะถ้าเรายอมรับตามความจริงเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความความเป็นจริงเราก็ทุกข์อย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะกายและใจของเรานี่แหละต้องยอมรับในตรงนี้ให้ได้นะกายก็เปลี่ยนแปลงไปใจก็เปลี่ยนแปลงไปนะ ใจต้องมีความขึ้นที่ลงลมีอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาทั่วคราวแล้วเขาก็จากไปนะเข้ามาแล้วเขาก็ไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ถึงสิ่งที่อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตน <historic S 2> <gasket S 1> ของเรานะอย่าไปยึดว่าลมแป็นของเรา <ๆ S 1> แต่เห็นว่าเข้ามาแล้วเขาไปเป็นของทั่วคราวเป็นความผวนผันผวนในจิตของเราเท่านั้นเองนะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยอารมณ์จะอยู่ในใจเราไม่นานนะ แต่เมื่อมีลมเกิดขึ้นเราไปยึดว่าเป็นเราปั๊บเนี่ยมันก็ทุกนานนะมันก็อยู่ในใจเรานานนะการที่เราไม่ยึดนั่นแหละมันเป็นการที่เราไม่ค่าเป็นการรู้เฉยนะตรงนี้นั่นแหละมันจะตรงอธิปภาพยยะระด้รู้ธรรมนะเพราะนั้นในสุดท้ายนี้นะก็ขอทุกท่านนะตรงต่อพระสตรธรรมตรงต่อกับรู้ธรรมและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาติปับันนี้ทุกท่านเธอ